กราบบูชาประธนาธิกากราบบูชาครูบาอาจารย์ตังแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถาวายความเคารพมายังพระอาจ า, ารย์ไพาลหลวงพ่อกลมครูบาอาจารย์พันเตเพื่อนสาธมิกเจริญพรมายังแม่มชีบาสุกบาสิกาทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่9กากันยายน 2 5 5 7นะตรงกับปันแรม1่ข้ามเดือน10นะก็เป็นช่วงเวลาที่ยังอยู่ในนะช่วงเขา้าพรรษานะก็เหลือเวลาอีกไม่มากนะอีกประมาณ1เดือนนะก็จะออกพรรษาแล้วนะในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมานะพวกเราก็ได้ร่วมกันนะจัดนะงาน นะลาสังขารของหลวงพ่อคำเขียนนะก็ได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจนะของทุกท่านนะที่ได้เสียสล ะ, นะะความสิ่งที่เราได้ช่วยกันทำํำนะก็ได้ความสมัครสมานสามาคัคคนะีจนงานสําเร็จลุล่วงไปได้วยดีและก็เป็นไปตามที่หลวงพ่อคำเขียนนะท่านได้บอกเอาไว้ ว่าให้ทําอย่างไรนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ทำนะํำสนองความประสงค์ของท่านนะก็ได้ผ่านไปได้วยดนะีซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่แสดงออกนะถึงความสามัคคีของหมู่คณะนะก็ทําให้งานสําเร็จรุล่วงไปได้ดีแม้วันนี้หลวงพ่อคาเขียนนะจะไม่ได้อยู่นะที่เป็นรูปธรรม กายสังขารแต่ว่าจิตปัญญาณหรือว่าสิ่งที่ท่านได้พูดได้บอกได้แสดงออกนะก็คงประทับอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกคนและสิ่งนี้เนี่ยก็คงจะได้สืบสารนะได้กระทำนะกันต่อไปนะเมื่อพูดถึงอาการที่ครูบาอาจารยนะ์ท่านต้องมา ละจากพวกเราไปนะตรงนี้ก็ทําให้มาใครควรคํำนึงถึงนะสิ่งที่ได้เห็นนะในสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะซึ่งในบางที่บางแห่งหรือนะในวัดก็ดีในสํานักบางแห่งก็ดีนะก็ยังมีการดําเนินกิจกรรมนะยังทําในสิ่งที่ได้เคยทําเหมือนเดิม นะในบางที่บางแห่งนะก็ล้างลากันไปนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจว่าในส่วนของเรานะในวัดป่าสุขกโตนะเราจะดำเนินการต่อไปนะก็คงจะมีกิจกรรมนะมีสิ่งต่างๆนะที่ยังดําเนินต่อไปเหมือนอย่างที่สมัยที่หลวงพ่อคําเขียนนะท่านยังอยูนะ่แล้วก็ท่านได้สร้างสารรคเอาไวนะ้พวกเราก็จะได้สืบสาร เจตนารมของท่านนะเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้านะหรือว่าให้ปาสุกโตเนี่ยเป็นทีเ่เรียนรู้นะสำหรับการที่เราจะม า, เ, าเรียนรู้เรื่องของกายเรื่องของใจนะแล้วก็เป็นสิ่งที่จะเป็นโอกาสนะให้กับคนที่เขามีความาทุกขนะ์เดือดร้อน ในจิตใจไ ด, ได้มีโอกาสหรือมีสถานที่ที่จะเป็นที่สำหรับการฝึกฝนอบรมตัวเองเพื่อออกจากความทุกข์ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราสังเกตด้วยดีหลวงพ่อคำเขียนท่านก็เป็นผู้ที่พยายามที่จะสืบทอดเจตนารมณ์หรือสิ่งที่หลวงพ่อเทียนได้สอนหรือได้บอกเอาไว้ นะก็เป็นสิ่งที่ท่านได้พยายามทั้งในำมาทั้งในชีวิตนะที่ท่านได้มาอยู่ที่นี่นะซึ่งพวกเราเองนะก็คงจะได้ช่วยกันนะในการที่จะสืบสารเนะจตนารมณ์หึกกิจกรรมนะที่ทำแล้วก็ทำให้มันดียิ่งขึ้นนะซึ่งตรงนี้ตัวกระผมนิธมาเองได้สังเกตนะว่าสิ่งที่วัดป่าสุขโต หรือตัวหลวงพ่อกําเขียนเองได้ทำเนี่ยที่เรียกว่าเป็นการเพิ่มเติมจากหลวงพ่อเทียนได้ทําก็คือท่านไม่ได้ทําเฉพาะเรื่องกรรมฐานอย่างเดียวแต่ก็ทําเรื่องของอธรรมชาตินเรื่องของความเดือดร้อ น, นของผู้คนบนบนเขานี้นซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ แตกต่างออกไปนะแต่ก็ทำให้เกิดประโยชน์นะที่แผ่ภายสารออกไปนะไม่ใช่เฉพาะประโยชน์ตนเองอย่างเดียวนะก็เป็นประโยชน์กับสังคมเป็นประโยชน์กับธรรมชาติด้วยนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราที่อยู่ในภายหลังนะก็คงจะได้ดำเนินกิจกรรมกันต่อไปนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะกับตัวเองแล้วก็ประโยชน์กับสังคม นะโดยเฉพาะยิ่งในนะประเทศไทยในเวลานีนะ้ถ้าเราสังเกตไูให้ดีผูนะ้คนก็มีความเครียดนะมีความทุกขนะ์กันมากนะแล้วก็ธรรมชาติก็ถูกทำลายกันไปมากมายเพราะนั้นสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนนะท่านได้ทำเอาไวนะ้แล้วพวกเราก็ได้ศึกษาแล้วก็ได้ปฏิบัตินะในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ แล้วเราก็ได้ทำกันต่อมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็คิดว่าเราจะได้ทำกันต่อเนื่องไปซึ่งตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นการต่ออายุต่ออายุให้กับหลวงพ่อคำเขียนซึ่งจริงๆการต่ออายุตรงนี้ก็คือการต่ออายุในสิ่งที่ท่านได้ทำในสิ่งที่ท่านได้บอกนะเอาไว้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนาไปด้วย การต่ อ, อยุบพระพุทธศาสนานั้นนะนอกจากเราจะมีพิธีรีตองคือศาสนาพิธีศา ส, สนาบุคคลศานะ ส, สนาต ถ, ถาถแล้วนะสิ่งที่จะทําให้พุทธศาสนานเนี่ยมีความมั่นคงก็คือศาสนาธรรมนั่นเองนะซึ่งตรงนี้เป็นแก่นเป็นแก น, เ ป, น, แกนเป็นหัวใจสําคัญในบางที่บางแห่งนะไม่ได้เน้นศาสนาธรรมนะเป็นเน้นศาสนาพิธี นะเนป็นเน้นศาสนสถานนะตรงนั้นมันก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันอาจจะอยู่ได้ไม่ไ ม, ไม่มั่นคงนะไม่ยั่งยืนนะเหมือนยังกับเอ่อได้ไปอ่านประวัตินะตอนที่พุทธศาสนาได้เสริมไปจากประเทศอินเดียเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่าพระภิกษุเนี่ยก็ส่วนใหญ่นะก็จะไปเอ่อหลงไหลนะใน ศา ส, สนาพิธีบ้างไปหลงไหลในความรู้ตำรับตำราบ้างนะแต่ก็ไม่ได้ฝึกฝนนะอบรมจิตใจของตัวเองเท่าที่ควรนะประกอบกับในช่วงนั้นนะก็มีศา ส, สนาอื่นนะเข้ามารุกรานนะจนสุดท้ายเนี่ยแก่นของพุทธศาสนาเนี่ยก็หายไปนะแล้วก็ลบเลือนนะหรือว่าเสื่อมไปจากประเทศอินเดีย นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราหน้าที่จะได้ศึกษาเหมือนกันว่าความเสื่อมของพุทธศาสนาเนี่ยหรือความเสื่อมของหลักธรรมเนี่ยมันสูญหายไปได้อย่างไรนะซึ่งตรงนี้ก็สะท้อนย้อนกลับนะมาที่ที่เราอยู่นี่นะที่วัดบารสุกโตเนี่ยนะเรามีเอกลักษณนะ์มีลักษณะเด่นอันหนึ่งก็คือเราจะเน้นนะในเรื่องของการ ฝึกฝนอบรมตัวเองด้วยการเจริญสติตามแนวของหลวงพ่อเทียนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะยึดถือว่ารูปแบบนี้ถูกต้องที่สุดเราก็เปิดใจกว้างพร้อมที่จะยอมรับนในรูปแบบอื่นๆนซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็ น, นจากพระอ า, าจารย์เผยสารก็ดีครูบาอาจารย์หลายรูปก็ดีท่านก็จะพูดนะ ให้เราได้เห็นได้เห็นแนวทางทั้งในส่วนที่เป็นแนวทางที่หลวงพ่อเทียน่ได้พูดเอาไว้หลวงพ่อคำเขียนได้พูดเอาไว้แล้วก็ครูบาอาจารย์ในวิธีการอื่นๆซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่งดงามความเป็นผู้ที่มีใจกว้างพร้อมที่จะยอมรับในแนวคิดคำสอนอื่นๆที่รวมลงตรงที่ าการที่เรามาเจริญสตนะิการที่เรามาเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจนะการที่เรามาเรียนรู้นะสิ่งที่เป็นความทุกขนะ์และก็การที่เราจะออกจากทุกข์ไดนะ้ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดนะีของพวกเรานะที่ได้ยินได้ฟังนะและก็มีการปฏิบัติ ด, ด้วยไม่ใช่ได้ยินได้ฟังอย่างเดียวนะเราอย่างได้ประพฤติปฏิบัติซึ่งการประพฤติปฏิบัติเนี่ย หรือการที่เราได้ทําลงไปเนี่ยมันจะเป็นแกนเป็นแกนที่สําคัญนะถ้าเราไม่ปฏิบัตินะเราได้ยินได้ฟังนะแล้วเราก็เอาไปพูดไปคุยนะแล้วก็เอาไปชื่นชมยินดีแต่เราไม่ลงมือปฏิบัตินะมันก็คงจะเกิดผลน้อยนะหรืออาจจะอยู่ได้ไม่นานนะเมื่อสิ้นครูบาอาจารย์ไปเมื่อเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัตินะความเสื่อมมันก็เข้ามาครอบงํา นะสุดท้ายเนี่ยนะวัดป่าสุกโตก็คงจะร้างลาไปนะก็มีเพียงแต่ตำนานที่เล่าขานกันนะในอีก50ปีข้างหน้าในอีก100ปีข้างหน้านะถ้าไม่มีการประพฤติปฏิบัตนะิก็จะล้างลาไปซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้หน้าเสียดายนะของการที่ครูบาอาจารยนะ์ท่านได้พยายามนะอุทิศแรงกายแรงใจ นะเรียกว่าช่วยทำให้วัดป่าสุขกโตนีเป็นสถานที่ที่เป็นประโยชน์นะกับผู้ที่ต้องการนะความพ้นทุกขนะ์ต้องการที่จะมาปลดเรื่องความทุกข์ออกไปจับจิตใ จ, จนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการสืบทอดพนะระพุทธศาสนาหรืพุทธธรรมนะที่มีสืบสารยาวนานมากว่า 2,600 กว่าปนะีแล้วก็มาเป็นธรรมร่วมสมัย นะด้วยภาษาที่ฟังได้นะแล้วก็สัมผัสได้พิสูจน์ได้ทําได้จริงนะซึ่งตรงนี้มันก็จะเกิดจากการที่เราได้ทําให้เกิดขึ้นกับตัวเองจริงๆนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคงจะเอ่อไม่ไม่ไม่พลาดโอกาสตรงนี้นะโดยเฉพาะเอ่อผู้ที่มีเวลาน้อยนะผู้ที่มาอยู่ชั่วคราวคําว่าชั่วคราวในที่นี้ก็คืออาจจะมาบวช นะในพรรษานะมีเวลาอีกหนึ่งเดือนนะหรือผู้ที่มาปฏิบัตินะ3วัน5วัน10วันนะคงจะต้องอดูช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะให้มันเกิดประโยชน์เกิดคุณค่านะกับตัวเองนะโดยเฉพาะย่างยิ่งเราคงจะต้องใส่ใจเราตั้งใจในการที่จะฝึกฝนอบรมตนเองนะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยก็จะทำให้มันติดตัวเราไป นะเมื่อเราออกไปจากวัดป่าสุกโตไปใช้ชีวิตในโลกนะในสังคมต่อไปนะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนพวกเรานะใช้เวลาที่เหลือในนะในการที่เราจะมาฝึกฝนอบรมตนเองนะตามหลักสติปัฏฐาน4นะก็คือการเจริญสติตามแนวเคลื่อนไหวนะซึ่งก็มีรูปแบบที่ชัดเจนอยู่แล้วนะที่วัดป่าสุกโตแลวก็ ถ้าเราสังเกต ด, ดูเนี่ยบรรยากาศของวัดป่าสุก โ, โตเนี่ยให้อิสระเราเต็มที่นะไม่มีระเบียบจุกจิกไม่มีข้อบังคับอะไรมากมายนะแล้วก็ให้อิสระเต็มที่ซึ่งตรงนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่อคำเขียนอยู่นะท่านก็ให้อิสระกลับเต็มที่นะแล้วก็ท่านพระอาจารย์ไพศาลนะก็ได้รับช่วงต่อเนี่ยก็ได้ให้โอกาสกับพวกเราเต็มที่ เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราคงจะต้องรีบฉวยโอกาสนะในการที่เราจะฝึกฝนอบรมตัวเราเองนะแล้วก็พยายามนะที่จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะในส่วนของกิจส่วนรวมนะอันนั้นก็มีเป็นไม่มากนะที่วัดบ่าสุกโตเรานะเราก็เม่่อมีกิจส่วนรวมนะเราก็ได้ช่วยกันทำนะอย่างงานที่ผ่านมาก็ดีหรือในช่วงวันกรรมกรก็ดี หรือในกิจอื่นๆก็ดีนะก็เป็นไปโดยนะความสมัครใจแล้วก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่นะตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งสำคัญทีนี้ <c oughs> ในส่วนของการที่เราได้มาฝึกฝนอบรมตัวเราเองแล้วเนี่ยนะการที่เรามาทำวัดสวดมนต์กันเป็นประจําอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเจริญนะเรียกว่ามาประชุมกัน เป็นประจำะแล้วก็ประชุมพร้อมกันเลิกพร้อมกั น, นช่วยเหลือกิจของสงฆ์หรือส่วนรวมอันนี้ก็เป็นความเจริญก้าวหน้านซึ่งก็ตรงกับหลักในอั ป, ปรยิยธรรมคือทำที่ทำให้ไม่เสื่อมซึ่งมีอยู่7ประการด้วยกั น, นประการแรกก็คือว่ามันประชุมกันเนืองนิดนประชุมพร้อมกันเลิกพร้อมกั น, นทากิจ นะของส่วนรวมโดยพร้อมเพียงกันนะแล้วก็ไม่ไม่พยายามที่จะบัญญัตินะสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บัญญัตนะิแล้วก็ไม่ได้ถอนในสิ่งที่พระเจ้าได้บัญญัติเอาไวนะ้สิ่งนี้แล้วก็นำสิ่งที่ท่านได้บัญญัติไว้นะก็คือธรรมวินัยเนี่ยมาประพฤติปฏิบัตนะิให้ความเคารพ นะพระผู้เป็นผู้ใหญ่นะผู้อาวุโสนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้านะและก็ไม่มีความทะยานอยากในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรนะนะแลวก็ผู้ที่มีศีลนะยังไม่มากก็ขอให้มานะผู้ที่มาอยู่แล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุข นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นหลักที่จะทำให้เราไม่ไม่เสื่อมนะในสังคมในส่วนรวมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยภาพของวัดป่าสุขโ ต, โตเราแล้วนะก็มีอาศัยหลักธรรมนี่แหลนะก็ทำให้เราอยู่กันได้แล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ เ, เป็นความภาคภูมิใจนะของพวกเราชาววัดป่าสุกโตแต่ก็แน่นอนละ ในะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็จะต้องระมัดระวังนะด้วยความไม่ประมาทนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเห็นได้เลยว่าการที่เราจะฝึกฝนอบรมตนเราเองนั้นนะเมื่อวานท่านจันไปสารนะได้พูดถึงว่าเราจะต้องพยายามนะที่จะปลีกวิเวกนะเพยายามพูดคุยเท่าเท่าที่จําเป็นหรือไม่พูดคุยหลีกนะเลียเ่ยงการคุกคี นะในหมู่คณนะซึ่งตรงนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรามีโอกาสให้โอกาสกับตัวเองในการที่เราจะมาดูจิตดูใจดูกายของเรานะการที่เรายินดีนะในเสนาสนะที่เป็นป่านะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงของการที่เราจะได้ฝึกใช้เวลานะถ้าเรามัวไปพูดไปคุยกันไปคุกคีกันมากเกินไป แตนะตรงนี้ก็จะทําให้เราเสียเวลาแล้วก็อย่างที่ท่านจันไปสารพูดว่าเดือนนี้เดือนสุดท้ายมันจะเร็วมากในความรู้สึกนะ เ, เดือนแรกๆเนี่ยมันจะช้านะเพราะนั้นแป๊บเดียวนะหมดเวลาไปแล้วนะแล้วบางทีอาจจะมา น, นึกเสียได้ทีหลังว่าโอ้เราไม่น่าเลยเนะาะหัวไปพูดไปคุยไปคุกคีกันนะแล้วไม่ได้มีโอกาสที่จะฝึกตัวเราเองนะเมื่อวานก็ได้ได้ได้ยิน ม, มีมีเพื่อน ภิกษุบางรูปบอกว่าเออภิกษุใหม่ไม่มีใครเก็บอารมณ์เลยเหรอเนะมื่อวานประชุมลองโบสถ์กันก็มีอยู่2รูปเป็นพระเก่านะพระใหม่ก็ไม่ได้แสดงความจนงค์แต่คิดว่าพระใหม่ท่านก็คงจะได้เก็บเนื้อเก็บตัวของท่านเองนะก็คงไม่จำเป็นจะต้องไปเก็บอารมณ์อะไรอย่างนั้นนะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่เราจะได้ฝึกฝนตนเอง ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะด้วยการเจริญสตินะและก็การนากิจส่วนรวมนะเป็นสิ่งที่เราจะทำกันต่อไปนะซึ่งตรงนี้ตัวกรบผมนิตมาเองก็มีความ เ, าเข้าใจและก็เห็นว่าเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาเป็นการต่ออายุนะให้กับหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนนะโดยเฉพาะยิ่งหลักปฏิบัติหรือคาสอนนะของการเจริญสติแนวเคลื่อนไหวเนี่ย มันจะยังคงอยู่ต่อไปแล้วก็เป็นประโยชน์นะกับคนในสังคมในชุมชนทั้งในประเทศไทยและก็คนจากต่างประเทศนะซึ่งจากข่าวค า, าวที่ออกไปเนี่ยเท่าที่ทราบก็มีคนติดตามนะข่าวการจัดพิธีปรุงสรีละหลวงพ่อคำเขียนพอสมควรแล้วก็ได้มีความรู้สึก ชื่นชมยินดีนะในการที่จัดพิธีอย่างเรียบง่ายแล้วก็เป็นไปอย่างสมเกียรติสมธรรมนะที่ท่านพระอาจารย์เผสารได้กล่าวเอาไว้นะซึ่งตรงนี้ก็คงจะเป็นภาพอันหนึ่งที่จะทำให้คนนะที่ยังไม่เคยมาวัดป่าสุก โ, โตก็คงจะมานะเพราะนั้นในส่วนของพวกเราเองนะก็คงจะต้องเตรียมตัวในการที่จะรับคนที่มา อานะจจามากขึ้นนะซึ่งตรงนั้นก็หมายถึงว่าเราก็ต้องมีหลักสําหรับตัวเราเองนะที่จะประพฤติปฏิบัตนะิที่จะเป็นแบบอย่างให้กับผู้ที่มานะที่เขาจะได้มาศึกษาได้มาเรียนรูนะ้วิธีการที่จะออกจากทุกข์นะด้วิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคงจะร่วมกันช่วยกันซึ่งตรงนี้ก็จะก่อให้เกิด ประโยชน์กับตนเองและก็ประโยชน์กับผู้อื่นนะไปพร้อมๆกันนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการสืบสารปณิธานเจตน า, ารมณนะ์ของหลวงพ่อคาเขียนหลวงพ่อเทียนนะและก็คงจะสืบต่อไปถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยนะซึ่งตรงเนี้ยตัวกับพุทธมาเองคิดว่าเป็นการสืบศา ส, สนา ท, ที่แท้จริงนะที่มั่นคงนะด้วยศาสนธรรม นะซึ่งเป็นแก่นเป็นแกนเป็นหัวใจที่สําคัญแล้วนะก็คิดว่าพวกเราคงจะได้ร่วมกันนเะสืบสารเจตอารมณ์นี้กันต่อไปนะในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระศรีรัตรนตรยัยนะคุณของครูบาอาจารยนะ์ทั้งหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคําเขียนนะได้มาเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจนะให้พวกเรานะได้เอ มีความเพียรความพยายามนะในการที่จะฝึกฝนอบรมตนเองนะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสิ่งที่ทําไปแล้วอาจจะยังไม่ถึงที่สุดนะก็อย่าได้ท้อถอยนะเรามีสังฆะมีหมูนะ่ที่จะเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนนะที่จะให้กำลังใจในการที่จะก้าวเดินต่อไปนะโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ก็ขอให้ความเพียรความพยายามของทุกท่านเนี่ยประสบความสำเร็จนะก็คือได้พ้นไปจากความทุกข์นะได้พบสุขกัดเสมสารแล้วก็คือใจเป็นปกตินะอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในเร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเติอนเจริญพรอ